ถ้าสาตัวไม่ได้ไมีนจะล้มระเนระนาดไปเลยท่านอาจารย์มันท่านเทศสอนปุกอีกปุกใจนี่เก่งมากทีเดียวทีนี้เราพูดตั้งบรรดาลูกศิษย์ลหาที่ไปด้วยความตั้งใจไปทึกษาลมจากท่านฟังอะไรมันก็ถึงใจถึงใจถึงใจสิ่งที่ควรจะปฏิบัติเขต้องปฏิบัติไปเลยสิ่งที่ควรเข้าใจในขณะนั้นก็เข้าใจ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 นี้มันก็อาหาหน้าเลยการศึกษารูทาเห็นทำและเข้าใจในอในัติธรรมมันเข้าใจด้วยความอาหาเข้าใจด้วยความเป็นนักต่อสู้ไม่ได้เข้าใจด้วยความอ่อนแอความท้อแท้ความเล็วไหลความถอยทัาบกับแพ้โดยลำดับนั้นไม่ใช่ทางที่กิเลสจะกลัวไม่ใช่ทางที่จะแก้ไขกิเลสหรือรูด ว, ด ว, ดวขงของกิเลสทั้งหลายจนกระทั่งถึงถ อ, ถอนได้ ในศาสนาแล้วไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าหาที่แย่งไม่มีถาเราดำเนินตามหลักศาสนาแล้ว เ, เรือนจำตารางตะเิงเหล่านี้ไม่ต้องมีมีทำไมผมไม่มีใครจะไปทำผิดมองเห็นตามเหตุตามผลยอมรับความผิดถูกั่วดีของการละกันเล้วมันก็อยู่ด้วยการได้สำหรับคนเราคนเราอันนี้ไม่ยอม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 เราได้เห็นทุกวันทุกวันนั้นเป็นเครื่องซืมซาบหรือบำรุงจิตใจของเราไปโดยลำดับไะยึดเป็นคติด้ว่อยๆเรื่อยๆท่านพูดออมาในแง่ไหนเป็นอัดเป็นธรรมทั้งนั้ น, ท, นท่านผู้สิ้นก่เลสแล้วก็ยิ่งอย่างที่ท่านจานมั่นเป็นความแน่ใจของท่านสิ้นกิเห็นสบางอัดบางธรรมบางท่านมันหายสงสัยโดยท่านไม่ได้บอกว่าท่านชิ้นท่านไม่ได้บอกท่านเป็นทอหัดอรหัดอรหันอะไรเลยแต่ความจริงบอกอยู่ต้งต้งต เนเราหาความจริงทำไมจะไม่เชื่อความจริงทางการพิจารณาถึงเรื่องทุกขเวทนานี่จจึงเป็นเรื่องสำคัญก็ได้อุบายมาจากท่านจันมั่นท่านเอาจริงเอาจังเวลาเจ็บไข้ใด้ป่วยมากๆสาหรับผ้าผู้ปฏิบัติอยู่ในวัดทันแล้วบางทีท่านเดินไปเองพิจารณายังไงไม่ท่นาน เ, เป็นย่าลงไปเลย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 มันก็พาใจให้ไปโกหกความโกหกกับความโง่มันก็เชื่อกันได้ง่ายทไยาไมอะ น, นถูกต้องความโกหกกับกับกับคนโง่คนฉลาดหรือคนโง่มันก็หล อ, อกกันได้ง่ายความฉลาดของยุเลดกับความโง่ของเรามันจะเข้ากันได้ง่ายนทำทําพันแยกเยกให้พุทธนา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 ถอกันไปถอยกันมาอยู่นี่เพื่อทดสอบทางสติปัญญาของเราเมื่อหลายครั้งหลายหนเราเข้าใจก็สูญภาพซึ้งลงไปโดยลําดับลำดับทีนี่แยกกันได้เรื่องอำนาจของปัญญาแต่สมมติว่าถึงคราจะแตกระดับจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวว่าทุกข์จะล่มจมที่ไหนในเมื่อมีสติมีปัญญาพที่ชนะอยู่กับทุกขเวทนาอยู่แล้ว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 สำคัญที่การปฏิบัติของคนเราทีททายามมาย่าการประพฤติแสดงออกก็เมื่อใจมันเจริญนั้นมันเจริญทั้งนั้นแหละพริยามมาย่าที่แสดงออกสวยงามน่าดูน่าชมแต่เพาะอย่างยิ่งใจให้มีความเจริญรุ่งเรืองภายในติดนภายในตัวมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวอยู่เสมอแล้วว่าเรียกว่าใจที่มีความเจริญกิเลสไม่ค่อยจะมาทำลายได้เรียกว่าศาสนาเจริญเอาพยายามพิจารณาแก้ไขไปโดยลํำดับไม่มีกว้างไม่มีแคบไม่มีมากมีมาอะไรนี่อยู่ที่หัวใจเท่านั้น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 หมดแล้วเรื่องกิเลสหมดแล้วความรักความทางความเลียดความโกรธมันก็ไม่มีเป็นหลักธรรมชาติภานในตัวรุวนรุนนั่นหละท่านเรียกว่นธรรมชาติที่ต้องการแล้วการพิจารณาก็คือมากแก้สมุทยัยไปในตัวเช่นความรักความทางกันต้นเนี่ยแก้ภายในจิตท่าน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 นี่แหละความเลิอดเลิอดขึ้นที่นี่ไม่เลิอดที่ไหนแ่ละฉันงพยายามหาความเลิอดความรู้สึซึ่งมีอยู่ในตัวของเราความรู้นี่แหละไม่ใช่อื่นใดที่จะเป็นความเลือดความรู้สึแต่เวลานี้มันถูกสิ่งตัวกระปกขโมมหาคุณค่ามาด้านั้นปกคลุมม้หออยู่จึงกลายเป็นของไม่มีคุณค่ามีราคาไปก็คือใจนี่แหละเวลานี้เราคลังคลำรอบปอกหนึ่งโดยดันดันหนัหนกหมึกปอให้เต็มที่แล้วมันก็เป็นความเลิอขึ้นมาเลิอที่ตรงนี้เล้วไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วพอถึงเงินพอ อารมณ์ยุติเนแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่ามึอ